ยิ่งใหญ่นะพุทธานุภาพเช่อนอนุภาพของศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นของพระองค์เนี่ยเป็นอนุภาพที่ยิ่งใหญ่มากสามารถที่จะเกื้อกูลโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้พ้นจากทุกได้บทว่าสะตะปุญญลักขโนสะตตตัวนี้แปลว่าร้อยนียสตังนะก็สะตะสะตังตัวนั้นก็ร้อยปุญญก็คือบุญลักขโนก็คือลักษณะผู้ประกอบด้วยบุ ญ, ญลักษณะนับร้อยเนี่ยนะ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 ทำมากขนาดนั้นเลยอะ่ะอย่างคนอื่นเขาจะบอกสมมติว่าทําบุญร้อยเนึ่ยไอคนนี้ทําบุญอ่ะร้อยคูนร้ยเท่าอะ่ะเท่าไรร้อยคูนร้อยก็ทำไอคนนี้ทำร้อยไอคนนี้ทำหมื่นก็คือมากกว่านั้นอ่ะนะอย่างคนเนี้ยเขาถวายสมมติว่าถวายข้าวร้อยร้อยหมอ้อไอคนนี้ถวายหมื่นหม้อทุกอย่างเนี่ยทำเกินกว่าคนอื่นร้อยหมดเลยก็เรียกว่าเลยสะตะปุญญลัก โ, โนเนี่ยนะผู้มีบุญญลักษณะ น, นับร้อยคือสมมติว่าคนเนี้ยเอางามที่สุดแล้วในบรรดาพระองงามกว่านั้นร้อยเท่าอะ่ะ ก็คืออะไรที่มันคูณด้วยร้อยหมดก็เลยเรียกว่าสะตะปุญญลัคนโนวังนั้นอนะ่ะผู้มีบุญยลักษณะนับร้อยเนี่ยนะแต่บางท่านก็อธิบายว่าทรงมีลักษณะอย่างหนึ่งที่บังเกิดเพราะบุญกรรมนับร้อยๆบางท่านก็บอกว่าอุย้ยหนึ่งที่นะบุญเป็นร้อยๆนะมาสรรสร้างอัตถกถาบอกไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเนี่ยนะภาษาอย่างนั้นจริงใครก็เป็นพระพุทธเจ้าได้แต่อันนี้หมายคือว่าใครที่ว่าทําเยอะๆแล้วพระองค์ทาเยอะกว่าคนอื่นเป็นร้อยเนี่ยนะ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 แต่ว่าที่ที่เมืองกบิลพัฒน์เนี่ยแสดงแบบคลว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้าพระองค์ก็เลยแสดงไปแต่ถ้าเมืองสาวะทีเนี่ยนะพระองค์ประกาศไว้ก่อนตั้งหลายเดือนเพราะฉะนั้นจึงมีคนมาประชมมากกว่ามากกว่าที่ที่เมืองกบิลพัฒน์เนี่ยนะเพราะประชมุมชนเนี่ยมาเป็นเกือบจะถึงร้อยโยชนะพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลในมาประชมุมกันคําว่าพระศาสดาพระองค์นั้นผู้มีพระจักษุจักษุนี่คําว่าตานะผู้มีตาเราก็มีตาไม่ใช่หรอ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 ว่าอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายเป็นยังไงเป็นการมัธยาศัยหรือเนคขมัธยาศัยหรือว่าโลพัธยาศัยหรืออะโลพัธยาศัยทีน่มิทธะหรืออโลก ส, สัญญามีอัธยาศัยอะโลภาอโทสะหรืออโมหะก็ดูว่าสัพสัตว์ทั้งหลายนี่มีอัธยาศัยเช่นไรแล้วสัตว์เหล่านั้นที่มีอัธยาศัยอย่างนั้นแล้วเนี่ยอินทรีย์นี่เป็นยังไงศรัทธาเป็นยังไงวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นอย่างไรมีผู้ใดพอจะตรัสรู้ได้ไหมเป็นต้นเนนะี่ย ก็ตรวจดูเรียบร้อยหมดนี้เรียกว่าพุทธจักสุพระองค์ใช้พุทธจักสุโดยมากวันละสองครั้งนะนะโดยมากสองครั้งคือเช้ามืดกับตอนบ่ายๆเนี่ยวันละสองครั้งใหญ่ๆนะเวลาอื่นก็ก็ใช้ยานอย่างอื่นแทนสะส่วนใหญ่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 หมายถึงอะไรหมายถึงโสดาปฏิมักบางสูตรหมายถึงอนาคามีมักบางสูตรหมายถึงสกะทาคามีมักบางแห่งหมายถึงทั้งโซดาปฏิมักสกะทาคามีมักและอนาคามีมักพร้อมกันอย่างเช่นโปรดพัทธวัคคีพวก30มสอะนะพวกนั้นเนี่ยธรรมะจักสุเกิดขึ้นแก่ท่านพัทธวัคคีนั้นหมายถึงโสดาปฏิมักถึงอนาคามีมักอันนี้หมายถึงธรรมะจักสุะนะนี่ ส่วนพระสัพพัญยุตยานที่มาในพระบาลีว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาดีผู้มีจักสุรอบคอบโปรดสเสด็จขึ้นสู่ปราสาทที่สำเร็จด้วยธรรมมีอุปมาฉันนั้นเถิดข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาดีมีจักสุดโดยรอบอันนี้เป็นคำของใครท้าวหมาพรมไงที่มาราธนาวันนั้นะพรมเข้าราตนาว่าข้าแต่พระผู้มีปัญญาดีผู้มีพระจักสุดโดยรอบ โปรดเสด็จขึ้นสู่ปราสาทที่สําเร็จด้วยธรรมคือปัญญาตรวจ ด, ดูพิจารณาสัตว์ทั้งหลายผู้เศร้าโศกเนี่ยนะผู้กําลังอาเกียนเกิดกำลังโศกอยู่ช่วยสอนเขาหน่อยเถอะว่าไ ง, งพระองค์เนี่ยสามารถขึ้นตรวจ ด, ดูสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยพุทธะขันธ์สมันตะจักสุคําว่าสมันตะจักสุเนี่ยรอบรู้ทั้งสังกตตอสังกตตารอบรู้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือ จริงสมันตจักสุก็คือมหากิริยามหากิริยาญาณสัมปยุทธ์นั่นเองส่วนที่พจักสุก็คือญาณที่ประกอบด้วยอภิน ญ, ญาจิตที่เกิดขึ้นโดยการเจริญอโลกสัญญาหรืออโลกสินสมาบัติเช่นด้วยที่พจักสุอันบริสุทธิ์เนี่ยนะทรงตรวจทรงเห็นหมูสัตว์ที่จุติอุบัติด้วยที่พระจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์อันนี้หมายถึงทิพจักสุเนี่ยนะเห็นที่เรียกว่าเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายเนี่ยนะ ส่วนปัญญาจักสุก็คือยานที่มาแล้วว่าปัญญาจักสุมีปุเพนิวาสานุสติยานเป็นต้นเช่นจักสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วจักขุ้งอุท่ปาทิยานังอุท่ปาทิปัญญาอุทธาปาทิอโลกะอุท่ปาทิยานะอุท่ปาทิเนี่ยนะวิช i̇şte าอุทธาปาทิเนี่ยพวกคำเนี่ยเป็นชื่อของปัญญาจักสุปัญญาที่เห็นอริยสัจเนี่ยนะปัญญาที่เห็นวันนี้ทุกขนี้ทุกควรกําหนด ร, รู้ทุกได้กําหนดรู้เสร็จแล้ว น, นี้สมุทัยสมุทัยควรละสมุทัยละเสร็จแล้วอันนี้เป็นปัญญาจักสุเนี่ยนะจักขุ้งอุทะปาที่เนี่ยนะก็คือจักสุได้เกิดขึ้นแล้วอย่างที่เราสวดเมื่อกี้ใช่ไหมจักสุปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกเนี่ยนะเป็นต้นนั่นเองพระพุทธเจ้าสมบูรณ์ด้วยตา5อย่างเนี่ยนะทั้งพุทธจักสุธรรมจักสุสมันตะจักสุที่พระจักสุและปัญญาจักสุ ส่วนสะสัมภาระจักสุเนี่ยนะสะสัสมภาระจักสุหรือมังสะจักสุตาเนื้อเนี่ยนะมังสะจักสุที่อาศัยประสาทที่มาในบาลีว่าอาศัยจักขู่และรูปเกิดจากขูวิญญาณน่ยนะอาศัยจักขู่กับรูปอันนี้ก็หมายครับว่าตาคนละคู่คนละคู่ที่นั่งอ่ะนะก็คือตาเนี่ยตาไหนาก็เนี่ยหลับตาลืมตานี่แหละนี่ตาเนี่แหละเรียกว่ามังสะจักสุตาเนื้อมังสะจักสุมี2 อ, อย่างนะแบ่งแล้ว2ประเภทคือสัสมภาระจักสุกับประสาทจักสุ ส, ส, สัสมภาระจักษุเนี่ยหมายถึงอะไรก็หมายถึงลูกตาทั้งลูกเลยอ่ะเรียกว่า ส, สั bien, ส, สัมภาระจักษุ ah ส่วนภาษาท่าจักษุหมายถึงอะไรหมายถึงความใสที่สามารถรับภาพได้บางคนนี่มีแต่สัสมภาระจักษ <ส flex. S 1> ุไม่มีภาษาท่าจักษุก็มีเนี่ยนะแต่คนที่จะมีภาษาท่าจักษุต้องมีสัสมภาระแต่คนที่มีลูกตาไม่ได้แปลว่าเห็นเสมอไปเรียกว่าบอดตาใสอย่างนั้นคนนี้เขาเรียกบอดบอดตาใสเพราะไม่มีจักขรประสาทเนี่ยนะ ส่วนอธิบายเชิงอภิธรรมก็อ่านเอากันแล้วกันจากสุเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะตาทั้งหมดนะทั้งตาเนื้อตาตาปัญญาสองอย่างเนี่ยถ้าจะเรียกเป็นนับหนึ่งก็ได้นะนับอย่างเดียวก็ได้คืออะไรอ น, นิจจังสังขตังทุกอย่างไม่เที่ยงหมดจะตาเนื้อตาปัญญาเคยเห็นมันเที่ยงมั้งไหมไม่เที่ยงหรอแล้วก็ทุกอย่างถูกประจัยปรุงแต่งเหมือนกันตาปัญญาเนี่ ย, ยเช่นสัพพัญยุตยานผู้พุทธเจ้านี่ใช้เวลาแต่งขนาดไหน เสียสงไขแสนกับกว่าจะแต่งตาปัญญาได้ขนาดนี้อาแล้วตาเนื้อก็แต่งหรอทำบุญทำกุศลตั้งมากมายใช่ไหมเช่นดวงตาที่ดูน่ารักเพราะไม่ถลึงตามองคนอื่นด้วยความกโกรธเป็นต้นเนี่ยนะกว่าจะเจริญกุศ ล, ลจิตมาตั้งมากมายกว่าจะได้ดวงตาคู่งามๆคู่นี้ม า, างั้นตาทั้งสองนั้นจะแบ่งเป็นสองอย่างก็ได้คือตาบางอย่างเป็นอารมณ์ของอาสวะเช่น ตาที่ที่เป็นตาอะไรนะที่เป็นโลกิยาเนี่ยนะเช่นโลกิยะปัญญากับสัสมภาระจักสุเนี่ยเป็นอารมณ์ของอาสะวะส่วนตาที่เป็นโลกุตระเนี่ยนะตาที่เป็นโลกุตระอันนี้ไม่เป็นอารมณ์ของอาสะวะเช่น ว, ว่าธร ร, ร AM, ธรรมจักสุเนี่ยนะธรรมจักสุกับปัญญาจักสุ iner, ที่เห็นอริยสัจเนี่ยตาปัญญาอันนี้ไม่เป็นอารมณ์ของอาสะวะ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 ตาเนื้อมีรูปเป็นอารมณ์ทำมาจากสุมีนิพานเป็นอารมณ์บางอย่างก็มีอรูปเป็นอารมณ์บางอย่างรู้อารมณ์ได้ทุกชนิดบางอย่างอนารมมณารู้อารมณ์ไม่ได้เช่นตาเนื้อเนี่อรู้อารมณ์ได้ไหมไม่ได้อนารรมะไม่รับรู้อะไรสักอย่างมีเป็นหกอย่างก็เช่นแบ่งเป็นอะไรพุทธจากสุเป็นต้นอย่างที่กล่าวแล้วนะพุทธจักสุเป็นต้น สรุปว่าตาทุกชนิดมีอยู่แก่พระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเรียกว่าพระผู้มีจกักขุจักขุมาผู้มีตาว่างั้นนะผู้มีตาของเราทั้งหลายก็มีเหมือนกันแต่ว่าจะเรียกเขามีว่ามีก็ไม่ได้นะอายเขามีเหมือนกันแต่ว่ามันใช่บางอย่างะนะดูได้เป็นบางอย่างพอไปหยิบของบางอย่างแล้วก็ถูกด่าทุกทีเป็นต้นใช่ไหมพอหยิบผิดนะอย่างเงี้ยเป็นต้นแสดงว่าตาไม่ดีเท่าไหร่อันนี้ทวนว่าพระพุทธเจ้าผู้มีจักสุอัดถังสเมคคิตตวา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 ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะที่จะสงเคราะห์สัตว์ อ, อื่นไม่ใช่ว่าเออเนี่อริยสัตว์มันเป็นอย่างนี้เราไปเที่ยวพูดทั่วไปหมดแล้วเขาจะได้ดิบได้ดีไม่ใช่เลยถ้อยคาบางอย่างพูดผิดการเนี่ยหมดราคาเลยนะบทว่าโลกนายโกโลกนายกเนี่ยนะพระวรนายกของสัตว์โลกพระองค์ชื่อว่านายกก็คือผู้นํำะนะผู้นําโลกเพราะพระองค์แนะนําสัตว์โลกแนะนําด้วยอะไรแนะนําด้วยสมถาวิปัสนา เป็นต้นหรือแนะนําด้วยสังวรวินัยกับป harma นะวินยัยแนะนําเพื่ออะไรเพื่อมุ่งตรงต่อสวรรค์และนิพพานนั่นแหละนะแนะนำเขาให้นําเขาไปสู่สวรรค์นําเขาไปสู่พระนิพพานเนี่ยนะด้วยข้อปฏิบัติเช่นมนุษย์สมบัติก็คือกุศลกรรมบท10สวรรค์สมบัติก็คือฮิริโอตตาปะพรหมโลกพรหมโลกก็คือด้วยพรหมวิหารเป็นต้นถ้านิพพานสมบัติก็แนะนําให้เขาเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8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 อนนอิทธิปาติหารก็อย่างที่กล่าวไปแล้วใช่เ ช, ช่นคนเดียวเป็นหลายคนหลายคนเป็นคนเดียวนนหรือวิกุปภนาริ์อธิษฐานฤาริษ น, นั่นแหละพวกนี้ก็เป็นกลุ่มอิทธิปาติหารอย่างที่สองอาเทศนาปาติหารการรู้วาระจิตของผู้อื่นแล้วแสดงธรรมดักจิตแล้วค่อยพูดเนี่ยนะดักก่อนแล้วค่อยพูดดักก่อนแล้วค่อยพูดอย่างนี้เขาเรียกว่าอาเทศนาปาติหารอ า, อาเทศนาปาติหารนั้นเป็นการแสดงธรรมเป็นประจำของพระสาวกทั้งหลายและของพระพุทธเจ้าคือต้องดักก่อนนะ คือคือต้องกําหนดว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วสอนไปตามคุณภาพของความคิดเรียกว่าดักจิตแล้วค่อยสอนว่าเธอจงอย่าคิดอย่างนี้จงคิดอย่างนี้จงละสิ่งนี้จงเข้าถึงสิ่งนี้แปลว่าดักเรียบร้อยแล้วค่อยๆบอกไปเรียกว่าอาเทศนาปาฏิหารส่วนอย่างที่สมอนุสาสนีปาฏิหารก็คืออะไรโอวาตอันเกื้อกูลแก่อัธยาสายัยแก่มหาชนนั้นๆอนุสาสนีปาฏิหารเราใช้คําว่าทรงสั่งสอน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 คนที่ว่าแล้วว่าอีกเนะแล้วเนี่ยกสอนแล้วสอนอีกไม่รู้จักเบื่อจากนายเนี่ยนะพวกนี้อาศัยกรุณาจริงๆไม่เชื่อก็ลองสอนภาษาให้ชาวต่างประเทศที่จำไม่ค่อยแม่นดูถ้าไม่มีกรุณาจริงๆประสบความสำเร็จยากน่างเรืองเนาะรุ่งเงสอนมาสกีให้พูดภาษาไทยหน่อยสิโอย <laughs> นึกถึงก็งไม่ได้ถ้าของมาไปเรียนภาษาต่างประเทศมันจะไปต่างอะไรกันเนาะนี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 ถ้ a, าภาษาบริบทภาษาบริบอนุสาสนีปาฏิห า, า sung, รกับอาเทศนาปาฏิหารเป็นอาจินการปฏิบัติของพระธร ร, รมเสนาสารีบุตทภาษาริบุตรจะแสดงอย่างพิสดารแล้วก็ดักใจด้วยดักใจแล้วแสดงพิสดารดักใจแล้วแสดงพิสดารพระโมคคัลลานะแสดงพิสดารควบกับแสดงฤทธิ์ต่างกันตรงนี้คือคือพระโมคคัลลานะภาษาริบุตรสอนมากเหมือนกันแต่พระโมคคัลลานะเน้นแสดงฤทธิ์ภาษาริบุตรเน้นแสดงดักใจ คือกลุ่มพระที่พระโมคคัลลานะสอนเนี่ยเก่งเก่งนักเลงหน่อยบ้างพระโมคคัลลานะนะเก่งเก่งพวกนี้มานะลาพองพยองเต็มที่นี่ภาษารีบุตรก็ฝ่ายบูกับบุญน่ะนะพวกบูทั้งหลายก็พระโมคคัลลานะพวกบุญก็ภาษารีบุตรนะี่แหละส่วนพวกอนุสาสนีปาติหารอันนี้เป็นการแสดงธรรมเป็นประจำของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเน้นการสั่งสอนการโอว่าเต็มสูตรเต็มเปี่ยมเลยนะ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 พักาวานั้นเป็นชื่อของพระองค์ผู้ควรแก่คารวะอย่างหนักควรแก่การเคารพอย่างแท้จริงหรือคำว่าพักวาแปลว่าผู้สูงสุดในสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์ประเสริฐ ด, ด้วยพระคุณทั้งหลายอย่างเช่นคำว่าพักวาติวัจญังเศษถังพักวาติวจะนะมุตตมังคุระคารวายุะโตโสพักวาเตนะวุจจติคำว่าพักาวานี่เป็นคำที่ประเสริฐสุดคำว่าพักวาเป็นคำสูงสุดเป็นถ้อยคำที่ใช้กับ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 วสีเหล่านี้เรียกว่าความชำนาญชนานาญ5ประการชำนะวสีหในปาฏิหาริษมนะพระองค์เนี่ยมีวสีหในปาฏิหาริเพราะฉะนั้นก็ส่วนจะเป็นอย่างไรก็ไว้วันครั้งต่อๆไปกันลวกันนะสำหรับวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาท้ายที่สุดนี้เนี่ยนะปาฏิหาริล่านั้นทั้งมวลที่พระองค์แสดงแล้วเพื่อกําจัดบาปอากุศลเพื่อความเพิ่มพูนแห่งบุญและกุศล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 วันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้